เราจเจริญส ต, ติกันแล้วนะเราก็จะสังเกตว่าอื <c oughs> เราก็คิดเก่งนะคิดเก่งะ <c oughs> เพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่สังเกตเราก็รู้ว่าเราคิดไม่เก่งนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็คิดเก่งใช่ไหมเราก็เพราะว่าเราสังเกตเขาได้เนาะ <c oughs> คราวนี้เราเมื่อก่อนนะั้นเราก็อาจจะสังเกตได้นะว่าความคิดเนี่ยมันมันจะไหลเข้าไปในอดีตหรือนาคเป็นส่วนใหญ่เนาะ จะไหลไปในอารมณ์ต่างๆนะเนาะเดี๋ยวคิดนู่นเดี๋ยวคิดนี่คิดไปเรื่อยเปื่อยทั้งวันนะบางคนแค่ห้านาทีคิดไปต้องไหลเรื่องแล้วเป็นสิบเรื่องก็มีนะคิดเรื่องนี้เสร็จไปคิดเรื่องต่อเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่ามันมันมันเข้าไปในอดีตในอนาคตทั้งนั้นเลยเนาะถ้าเราสังเกตเห็นให้ดีนะเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราไม่รู้ทันความคิดนะมันไม่รู้ทันความคิดมันจริงไหลไปหลงไปเนาะ ครา้ น, นี้นะถ้าหากว่าเรามาฝึกจลสิย์กันแล้วเนี่ยเราก็มีเครื่องอยู่นะมีเครื่องอยู่เช่นยกมือสร้างจังหวะหรือว่าเดินจงกรมหรือว่าอาจจะมีอาชีพยอดต่างๆเนาะการพลิกมือความพลิกมือหายต่างๆเราเนี่ยสิ่งเราเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อใจให้ให้ใจเขามีเครื่องรู้เนาะใจมีเครื่องรู้ครั้ น, นี้รู้ยังไงนะก็คือรู้กับปัจจุบันนั่นเองใช่ไหม การที่เราสมมติเรายกมือสร้างจังหวะหรือเดินจงกลมก็ดีหรือพลิกมือความพลิกมือหงายก็ดีเป็นการที่ให้เขากลับมากลับมาทําไมกลับมาอยู่กับปัจจุบันนั่นเองใช่ไหมกลับมารู้ว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมเราพลิกมือความพลิกมือหงายเนี่ยเนาะตรงนี้มันเป็นของปัจจุบันใช่ไหมเมื่อปัจจุบันนี้มันก็เลยเป็นเครื่องปรับกับอดีตและอนาคตเนาะ เขาเรียกว่าเดีดและนาคตนนี่แหละมันเป็นความหลงไปนะเพราะว่ามันต้องใส่ความคิดใช่ไหมอดีตก็ต้องใส่ความคิดอนาคตก็ต้องใส่ความคิดเนาะอย่างเมื่อตอนกลางวันเราทานข้าวกับอะไรเราต้องใส่ความคิดเนาะหรือว่าพรุ่งนี้จะทําอะไรก็ต้องใส่ความคิดเพราะน่าอดีตและนาคตนั่นแหละก็คือการหลงไปนะการหลงเข้าไปในความคิดนั่นเองเนาะแต่ปัจจุบันนี้นะเช่นเราพลิกมือความพลิกมืองายนี่เราไม่ต้องใส่ความคิดใช่ไหม มัเนะ เ, ปเป็นการรู้นะเป็นการรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าน <|so|> ี่คือความจริงความจริงที่เกิดขึ้นในที่นี่ขณะนี้เดี๋ยวนี้นะการที่มันเรารู้ความจริงที่นี่ขณะนี้นั่นแหละเขาเรียกว่ามันไม่อาศัยความคิดแต่มันเป็นอาศัยความรู้เท่านั้นเองเป็นแค่ความรู้นะจึงออกจากความคิดได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้นะตรงนี้อาศัยเครื่องนี้เป็นเครื่องรู้เราจะขยับขยับมือหรือสายสว่านนเป็นเครื่องรู้นะ การอาศความรู้เนี่ยเขาเรียกว่าเราออกจากความหลงนั่นเองใช่ไหมความหลงก็คืออะไรความหลงก็คือความหลงคิดหลงเข้ามาในอดีตและอนาคตนะก็ใส่การเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยเนี่ยเป็นเครื่องรู้นะเราก็จะสังเกตความคิดได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องรู้ในตรงนี้เราก็จะไหลเข้ามาในความคิดนานเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องก็ดีตอนาคตทั้งนั้นเลยนะมันไหลเข้าไปนะแล้วมันก็ไปปรุงแต่ง เป็นความรักความชังความเกลียดความโกรธความเหงาความเครียดความกลัวความมิจชาความน้อยใจความเสียใจต่างๆเยอะแยะเลยนะเพราะว่าเรารู้ไม่ทันนั่นเองนะมันก็เลยเข้าไปในอารมณ์ต่างๆเป็นความปรุงแต่งต่างๆมากมายใช่ไหมคราวนี้เมื่อเรามีเครื่องยืนรู้ง่ายๆนะแค่เรามีอะไรสักอย่างหนึ่งให้เป็นเครื่องที่เรียกว่าสัมผัสรู้กระทบรู้หรือเคลื่อนไหวรู้เท่านั้นเองนะใจจะมีเครื่องอยู่แล้วใช่ไหม เมื่อก่อนใจไม่มีเครื่องอยู่นะเขาก็ไหลไปง่ายนะสมมติเรานั่งนิ่งๆเนี่ยนั่งนิ่งนี้เพราะใจเขาเรื่อไม่มีเครื่องอยู่คือมันไม่ชัดเจนว่าการนั่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการนั่งที่เราเคยชินอยู่แล้วมันไม่มีเครื่องอยู่ที่ชัดเจนเพราะเมื่อไม่มีเครื่องอยู่เขาก็ไหลไปไหลไปในอดีตนะนาโคตเป็นความคิดต่างๆแต่ว่าเรามาทาเป็นเครื่องรู้นะอ่าเช่นอ่าขยับนิ้วนะคะร hai, brasile, ึง er. น, น, น, นิ้วนะ พลิกมือความพลิกมือหงายต่างๆแล้วเนี่ยเป็นเครื่องรู้เล็กๆน้อยเขาก็อยู่ได้นะเขาก็มาสังเกตกายแทนจากการนั่งนิ่งๆเขาก็มาสังเกตกายทำให้เ้าเริ่มมีตัวรู้ได้ชัดเจนแทนที่นั่งนิ่งๆใช่ไหมใจจะเริ่มมีที่สังเกตมีเครื่องอยึดเหนียวมีเครื่องรู้มีสิ่งที่ให้งานให้ให้ใหติดเขามีงานทำเนาะอันนี้ก็เรียกว่าปีนิพารธรรมหรื อ, อ เป็นวิหารให้ให้ทำเป็นเครื่องอยู่ใเนาะัยานนี้เมื่อเมื่อมีเครื่องรู้ในตรงนี้ปุ๊บนะใจมีที่สังเกตแล้วนะเขาจะสังเกตตัวนี้เป็นหลักนะนะพอใจแวบไปเขาก็รู้ทันแวบไปก็รู้ทันเพราะว่าอะไรเพราะใจก็มีงานทำมีเครื่องรู้เครื่องอยู่มีที่สังเกตให้เข า, ามาสังเกตกายเนาะเพราะนั้นเราจึงไม่ต้องไปสังเกตจิตใจนะบางคนบอกว่าเราจะดูจิตแล้วนะเราไปคอยดูจิตเลย ไปคอยตั้งหน้าตั้งตาดูจิตไปคอยสังเกตจิตเป็นยังไงนะจิตก็จะแข็งจะทื่อจะซึมจะแน่นจะเครียดนะแล้วมันก็รู้สึกมันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะเพราะเราเราดูไม่เป็นเราไปตั้งหน้าตั้งตาดูมันก็เลยไม่มีความเป็นธรรมชาติของมันเนาะครั้นี้คร น, นี้เราก็เปลี่ยนจากการที่ว่าเราจะไปตั้งหน้าตั้งตาคอยดูจิตมาสังเกตากายแทนนะ มาสังเกตการเคลื่อนไหวของกายนี่แหละมีการกระทบรู้สัมผัสรู้หรือเคลื่อนไหวรู้นี่นะมาสังเกตในตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะไม่ไปสังเกตมันจะไม่ไปตั้งใจดูจิตใช่ไหมมันก็เลยมาสังเกตกายพอสังเกตกายไปปุ๊บมันรู้ไปเรื่อยๆนะมีเครื่องรู้ปั๊บพอจิตแวบไปคิดปุ๊บมันก็เลยรู้ทันนะฮะเพราะว่ามันมหลุดจากปัจจุบันไปใช่หมหลุดจากปบันไปมันก็รู้ทันนะอ่าบางทีเมื่อก่อนมันคิดไป5้าเรื่องแล้วค่อยรู้นะตอนหลังเมื่อมันเมื่อเราสังเกตมันก็เห็นปุ๊บมันก็รู้อ คิดไปสองเรื่องก็รู้แล้วนะคิดหนึ่งเรื่องก็รู้ต่อไปมันก็ไวขึ้นนะคิดไปครึ่งเรื่องก็รู้แล้วใช่ไหมเพราะว่าใจมันมันมีเครื่องอาศัยนะขณะใจมันก็อาศัยกายนี่แหละเป็นเครื่องสังเกตเครื่องรู้นะตามรู้ตามดูตามรู้กายไปนะมันก็เลยสังเกตจิตได้นะมันก็มันก็ไม่ไหลนานแบบสมัยก่อนใช่ไหมเพราะมันมีมันมีเครื่องรู้เครื่องสังเกตแล้วก็เรียกว่าจิตเขามีทักษะในการที่ว่าอาศัยกายนี่แหละเป็นเครื่องรู้ใช่ไหม เมื่อใส่กายไปแล้วเขาจะสังเกตจิตใจได้เองนะเราไม่ต้อไปตั้งหน้าตั้งตาคอยดูแต่อย่างใดนะเมื่อมีความคิดปุ๊บเราก็รู้ทันโอ้คันนี้รู้ทันปุ๊บมันก็ประการแรว ม, มันก็ดับไปนะเราก็เห็นเออมันก็ดับไปได้คันนี้บางทีมันก็ไม่ดับก็ไม่เป็นไรแต่เราก็เริ่มเห็นมันแล้วคันนี้เราเราเริ่มเห็นมันตรงนี้มันก็กายเมื่อเราสามารถที่จ ะ, ะดูความคิดได้นะ อย่างเช่นเมื่อก่อนเราก็เคยคิดถึงบ้านนะโอ้ตอนนี้ที่บ้านทําอะไรอยู่นะป่านนี้คงกําลังทานข้าวนะเดี๋ยวไปไปดูโทรทัศน์กันนะเราเดี๋ยวเย็นนี้คืนนี้จะไปที่ไหนต่อนะเราก็เข้าไปในความคิดไปเรื่อยๆนะแต่พอเราเราเริ่มสังเกตความคิดได้แล้วนะเมื่อเราสังเกตปุ๊บเขาก็หยุดแต่ถ้าเขาไม่หยุดเขาจะคิดต่อแล้วก็เออตอนนี้เดี๋ยวเขากินข้าวอยู่เดี๋ยวก็จะไปดูโทรทัศน์เราก็เห็นเออมัน มันคิดแล้วเดี๋ยวจะไปดูโทรทัศน์กันอ่เดี๋ยวคืนนี้จะไปไหนต่อแล้วก็เริ่มเห็นมันคิดถึงมันคิดแล้วก็เห็นมันนะมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเข้าไปในความคิดเลยแล้วไปช่วยเขาคิดแต่ตอนนี้เขาคิดไปเราก็เห็นอ๋อตอนนี้เขากำลังคิดแล้วนะแต่มันไม่หยุดก็ ไ, ในในในไม่เป็นไรแต่เราเริ่มเห็นเขาแล้วนะแต่เขาจะอ่อนกําลังไปเรื่อยๆอ่อนกําลังไปมันจะไม่คิดยาวละเพราะเรารู้ทันมันก็เริ่มเริ่มจะชะลอตัวเริ่มเบรกไ ป, ไปในสุดเขาก็หยุดคิดได้เนาะเพราะว่าเราสามารถสังเกตเขาได้ใช่ไหมเขาก็ไปไม่ไกลใช่ไหม เพราะอะไรที่ถูกเราสังเกตเข้าไปไม่ไกลหรอกแต่ถ้าไม่ถูกสังเกตเขก็ไปไกลเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็มีความชํานาญขึ้นนะเราก็ต่อไปจะสังเกตจิตใจได้โอ้มันคิดเราก็รู้ทันคิดก็รู้ทันอันนี้เรียกว่าความคิดมันก็มี2 อ, อย่างใช่ไหมาการตั้งใจคิดนะเรากา็ตั้งใจคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะจะทําอะไรพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าจะทําอะไรอันนี้อันนี้ไม่หลงนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราเราไม่หลงเพราะว่าเป็นความตั้งใจ แต่ถ้าเป็นความไม่ตั้งใจเขาเรียกเป็นความหลงทั้งนั้นเลยนะความหลงมันี่แมันก็นําความทุกข์ให้เรานะพอเรารู้ไม่ทันก็นําความทุกข์ต่างๆให้เราหลงคิดไปในอดีตในอนาคตใช่ไหมอันนี้เป็นความหลงใจนะหรือตาเห็นรูปก็แล้วแต่นะมันก็รู้ไม่ทันว่าตาไปเห็นรูปมันก็ไปปรุงแต่งเป็นความรักความชังต่างๆตามมาหูได้ยินเสียงก็ไปปรุงแต่งเป็นความพอใจไม่พอใจความโกรธต่างๆตามมาเยอะยะเลยนะ ตรงเนี่ยมันคือความปรุงแต่งที่ว่าเรารู้ไม่ทันแล้วก็ปรุงแต่งต่อมันเกิดจาความคิดเท่านั้นเลยน ะ, ะถ้าหากว่าเรา<อ>เราเริ่มเห็นความคิดได้แล้วเราจะรู้ว่าจรงิจรงๆล้มพวกนี้ก็จะความคิดของเราใช่ไหมอย่างถาใครเข้ามาดาเราใช่มเร า, เร า, นะ า, เ, ราเรารู้เฉยๆนะด่าเราเรารู้เฉยแล้วก็ไม่โกรธหรอกมันไม่ได้คิดมันก็ไม่โกรธเลยไม่มก็รู้เฉยก็ไม่โกรธแต่เมื่อเราคิดปุ๊บเออด่าทำไมเรื่องคนี้ทำไมต้องต้อมาด่าเราเราไม่ทําผิดสักหน่อยด่าได้ไง หรือไม่รู้หรือว่าเราเป็นใครมันก็จะเริ่มโกรธทันทีเลยนะมันก็จะโกรธขึ้นมาเกิดความขุนเคืองมาทันทีเลยใช่ไหมตรงนี้ก็เรียกว่ากําลังสติมันมันไม่พอใช่ไหมแล้วมันก็เป็นความคิดนั่นเองนะความคิดก็ไปทําให้เกิดความโกรธขึ้นมานะเพราะฉถ้าเราสามารถสังเกตความคิดได้นะต่อไปเราจะเห็นว่าเออมันก็เริ่มมันเริ่มมีมีความคิดที่ไปในในแนวทางแห่งความโกรธเลยนะ ไอ้ความความคิดเฉมไม่โกรธหรอกแต่เมื่อใดที่หูได้ยินเสียงที่ไม่พอใจมันเราจะเริ่มเห็นแล้เออมันจะเริ่มไปในแนวทางของความโกรธแล้วนะมันจะมีความขัดเคืองความงุ่นหงิดความไม่พอใจต่างๆปรากฏขึ้นมานะแล้วมันค่อยถึงความโกรธเนี่ยคือจิตมันจะเริ่มละเอียดขึ้นนะมันเห็นมันเห็นแนวทางของใจละะจากการมีความคิดเนี่ยพรอเรารู้ทันความคิดมันจะเห็นเออตอนนี้จิตมันเริ่มจะคิดในเรื่องพวกนี้ปั๊บความ ไม่พอใจต่างๆเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วนะต่อไปมันก็เป็นความโกรธเราก็รู้ทันเนาะแต่พอเรามีสติปั๊บมันก็ไม่เข้าถึงความโกรธนะพอเรารู้ทันเออคนมดา e fo, แล้วนะมาก่อนเราโกรธไวโกรธไวเพราะว่าใจไม่มีกาลังเราเราเรู้ไม่ทันความคิดแล้วก็ไม่เห็นความคิดแต่เราเห็นความคิดปุ๊บเขาก็ดา่าเรายังเก่าเนาะแต่เราเริ่มรู้ทันละโอ้ตอนนี้ใจมาเริ่มคิดแล้วนะมันเริ่มเห็นความคิดเลยในชะ่ไหมตอนก่อนไม่เห็นความคิดก็เริ่มเห็นความคิด แล้วก็ไม่เข้าไปในความคิดมันก็ดูมันก็รู้ว่ามันไปปรุงแต่งนะเป็นความหงุดหงิดความไม่พอใจเนี่ยตรงนี้มันก็เลยหยุดนะมันหยุดมันมันไม่เข้าเข้าไม่ถึงความโกรธนะมันก็ดับดับได้ง่ายมากเลยเพราะนั้นความโกรธเล็กๆน้อยๆนี่พอเรารู้ทันมันจะมันจะดับได้ไวนะมันจะหมดไปได้เร็วนะแต่ความโกรธใหญ่ๆนะมันก็ไม่กลายเป็นความอาฆาตพยาบาทไม่กลายเป็น ความโกรธที่รุนแรงมาสมัยก่อนนะมันมันก็เบาลงไปเรื่อยๆนะตรงนี้มันก็คือกำลังที่ว่าเรารู้ทันนั่นเองใช่ไหมนะอารมณ์ต่างๆเหมือนกันนะความความรักความพอใจไม่พอใจความน้อยใจทั้งหลายหละก็เป็นมาจากความคิดทั้งนั้นเลยนะมันก็มีความกลัวนะคนเราเนี่ยมันมีความกลัวอยู่ใช่ไหนะบางคนโอ้ไม่เคยมาอยู่วัดนะมันไปนอนในห้องคนเดียวมืมดๆนะ่ะได้ยินเสียง ต่างๆข้างนอกเราก็กลัวเพราะว่ามันไม่เคยชินใช่ครนะาวนี้ถ้าเราสังเกตนะมันก็คือความคิดเรานั่นเองใช่ไหมความคิดเราทำเรากลัวนะแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรเราก็ไม่กลัวนะความกลัวเนี่ยเกิดจากความคิดอย่างแท้จริงเลยนะนะบางทีนะเราเราแม้แต่เราอยู่ในห้องเรานะมันสว่างปุ๊บนะมันก็สว่างอย่างดีพอไฟดับปุ๊บเราก็กลัวแล้วกลัวก็จะความคิดเรา จริงๆไฟสว่างไฟมืดมันก็มีค่าเท่ากันถ้าเราไม่คิดมันก็คือเรื่องธรรมดาแต่เราคิดมันก็กลัวเพราะว่าในในในของเดิมที่เราเคยชินมาก็คือมันมืดปุ๊บมันก็จะมีเรื่องผีเรื่องอะไรเข้ามาใช่ไหมแต่พอเราไม่คิดมันก็ไม่มีอะไรนี่เพราะฉะนั้นอารมณ์ทั้งหลายก็ดจากความคิดทั้งนั้นเลยถ้าเรารู้ทันพอเรารู้เฉยเฉยมันก็ไม่มีอะไรมันก็ทําอะไรเราไม่ได้เนาะตรงนี้มันมันจึงเลยว่าเราเราออกจากความทุกข์ได้ไม่ยากใช่ไหมพอหลวงพ่อคำเกรติบอกว่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้นะ ก็คือตอนแรกเราก็เปลี่ยนหลงเป็นรู้ให้ได้ก่อนใช่ไหมความหลงทั้งหลายก็คือเรารู้ไม่ทันมันใช่ไหมเช่นความคิดเนี่ยเป็นความหลงใช่ไหมเมื่อรู้ไม่ทันมันก็ไปปรุงแต่งเป็นความรักความชางังความเก็บความโกรธไปนําความทุกข์มาให้เราถ้าเราให้เปลี่ยนหลงเป็นรู้น ะ, ะรู้ก็คือกลับมารู้สึกตัวก่อนใช่ไหมรู้สึกตัวในทางกายนี่แหละอาศัยการเคลื่อนไหวอาศัยการสัมผัสรู้การกระทบรู้เนี่ยเป็นเครื่องรู้ของกายของใจ เมื่อเขารู้แล้วเขาก็เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนความลงเป็นความรู้ได้เปลี่ยนไม่ยากนะแค่เรารู้ปุ๊บมันก็เปลี่ยนแล้วแต่ถ้าไม่รู้มันก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหาพอเรารู้แล้วก็เราก็ยังไงก็รู้เฉยๆต่อใช่ไหมหลงบังคับเก็บบังรู้เฉยๆรู้ซื่อๆนั่นเองนะเราก็ไม่ต้องไปรู้อะไรเยอะใช่ไหมอย่างนที่เรามาปฏิบัติธรรมโดยวิธีเนี่ยเราก็รู้สึกเออมันแปลกทำให้ทํางมายกมือสร้างอย่างบะมันแปลกๆทําไมคนหนึ่งก็ไม่ทํากันเขามีแต่นั่งสมาธินั่งนิ่งๆ เราดูแล้วก็มีความสวยงามใช่ไหมฮะนั่งดูแล้วโอ้หน้าศรัทธาทําไมต้องมายกมือไส้หวาเพราะอะไรนะเราก็ไปคิดไปเยอะแยะเลยอันนี้เขาเรียกว่าเราเราหลงในความคิดแล้วนะเราไม่รู้เฉยๆนะเพราะฉะนั้นเราเราไม่ต้องอไม่ต้องรู้เกินรู้นะก็คือมันรู้แค่นี้พอแล้วนะถ้ามันรู้เกินรู้นะเป็นความคิดทังนั้นเลยนะเนะพราะนั้นการที่เราปฏิบัติธรรมก็คือไม่ต้องรู้อะไรเยอะ ตอนนี้รู้ไหมว่ากําลังทําอะไรอยู่แค่นี้เองนะกำลังยกมือรู้ไหมกําลังคึงนิ้วรู้มไหมหรือว่ากําลังพลิกมือรู้ไหมแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องคิดว่าเออปฏิบัติแล้วต้องได้อะไรได้ต้องเป็นอะไรปฏิบัติแล้วดีไหมหรือว่าไม่ดีหรือว่าวิธีนี้ปฏิบัติแล้วถูกต้องไหมอันนี้เป็นความคิดอะไรนะอันนี้ก็แล้วเราไม่รู้เฉย แต่รู้เฉยๆนะมันง่ายนิดเดียวก็ทําไปไม่ต้องหวังอะไรกับมันไม่ต้องอยากเป็นอยากได้อะไรไม่ต้องอยากเห็นอะไรไม่ต้องอยากรู้อะไรแค่เรารู้สึกตัวนี่ก็คือมันได้แล้วเนี่ยก็คือมันได้รู้สึกตัวแล้วนอกนั้นมันก็ไม่ต้องได้อะไรก็พอแล้วนะมันก็เลยรู้เฉยๆได้ใช่ไหมพอรู้เฉยมันก็ใจมันก็จะเป็นปกตินะเราไม่ไม่ได้หวังอะไรจากการรู้ก็แค่ใส่การกระทบรู้เนี่ยไปเรื่อยๆนะใจก็เป็นปกติได้ก็สังเกตความปกติได้ง่ายขึ้น จริงๆแล้วความปกติมันมันมันมันสังเกตยากนะมันสังเกตยากมากเลยถ้าเรานั่งนิ่งๆนะมันจะให้ปกติมันทําไม่ได้หรอกใช่ไหมอ่มันทําไม่ได้แต่เมื่อเรามีการกระทบรู้เนี่ยมันจะสังเกตได้ความปกตินี้ได้ง่ายมันจะรู้เออใจมันก็ปกตินีนะเพราะมันมันก็รู้เฉยๆเนี่ยใจก็เป็นปกตินะเมื่อใจเปนปกติไล่หน่อยเพราะมันไม่ปกติเรารู้ทันเออใจไว้ปรุงแต่งใจไปคิดใจอะไรก็รู้ทันเพราะว่าเรา รู้ซื่อๆรู้เฉยๆได้นะมันก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเยอะเนาะมันก็ใส่ตรงนี้ก่อนรู้ซื่อๆรู้เฉยๆไปก่อนไม่ต้องไปอะไรกับมันไม่ต้องแปลว่าผิดเอาถูกไม่ต้องแปลว อ, อะไรกับมันเนาะเราแค่รู้เฉยๆรู้ซื่อๆได้ไหมใช่ไหมเพราะตรงนี้มันเมื่อเราทํารู้เฉยๆรู้ซื่อๆได้มันก็จะมีกําลังใช่ไหมมีกําลังในการรู้เฉยๆรู้ซื่อๆนี่แหละอย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าเออถ้าใครมาดาลล่าเรานะถ้าเราไม่คิดเรารู้เฉยๆรู้ซื่อๆมันก็ไม่โกรธใช่ไหมตรงนี้ไหม มันจึงมีกำลังฮะแต่มันมันไม่ใช่ว่าถึงง่ายๆนะการที่คนมาด่าแล้วเราเราจะรู้ซื้อรู้เฉยมันมันเป็นเรื่องยากนะไม่ใช่ง่ายๆแต่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราทําทำไม่ได้ใช่ไหก็คือเราสามารถรู้รู้ซึ้อรู้เฉยได้ัหมจากการที่เรามาฝึกเปิบัตรนี่แหละโดยออกจากความคิดนะมารู้เฉยเฉยได้ไหมทํานั้นเองใช่ไหตรงนี้เราก็สังเกตได้โอ้เราก็ทำได้นะมันไม่ยากใช่ไห เพราะเราก็ไม่ได้ไปห้ามความคิดมันคิดก็ไม่เป็นไรแล้วก็กลับมารู้ใหม่มันก็กลับมามันก็มีทักษะในการกลับมากลับมากลับมาทําไมกลับมาลุ้ยเฉยๆไม่ไม่ต้องอะไรอะไรกับมันท่านนี้รู้เฉยๆเนี่ยมันมีน ม, ม, มีอ น, นิสง์มากเลยนะในสมัยเพื่อการก็มีพภายยะนี่แหละทา่านก็เป็นพ่อค้าในทางทะเลวันหนึ่งก็ไปค้าขายทางทะเลเรือก็ล่มนะท่านก็ว่ายน้ําขึ้นฝั่งก็เสื้อผ้าหลุดลุ้ยหมดเลยก็เลยไปเอาใบไม้มานุ่งนะ ครั้นี้พอมาถึงเดินทางหมู่บ้านก็บอกว่านี่เป็นพระรหันต์แล้วไม่เอาอะไรเลยนะฮะอะไรๆก็ไม่เอาของนุ่งใบไม้แล้วนะก็บอกเป็นพระรหันต์ท่านก็รับสมอ้างไป็นกันเองแต่ท่านรู้ท่านก็ไม่ได้เป็นหรอกต่อมาท่านก็มีได้ข่าวว่ามีผู้เจ้าเกิดมาในโลกแล้วท่านก็เดินทางทั้งวันทั้งคืนเลยไปฝ้าผู้เจ้าเมื่ไปพพผู้เจ้าตอนนั้นท่านก็บินถบาดอยู่ที่ถนนก็ไปขอฟังธรรมผู้เจ้าก็บอกว่านี่ไม่ใช่สถานที่แสดงธรรมเดี๋ยวกลับไปวัดก็จะแสดงธรรมให้ฟัง ท่านบอกท่านไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ขอฟังเดี๋ยวนี้นะก็ขอฟังขั้นที่2ก็ไม่สแสดงคั้นที่สมจึงสแสดงทําให้ฟังสั้นๆนะคือเมื่อสแสดงธรรมนี่จบแล้วปรากฏท่านบนรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นเอกลักษณในการบรรลุธรรมเร็วสุดธรรมะนี้มีว่าอะไรก็คือเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่ะนั้นท่านจักไม่มีในโลกนี้ท่านจักไม่มีในโลกหน้าท่านจักไม่มีโลกทั้งสอง นี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละคําว่าสักต่ว่าคืออะไรก็คือรู้เฉยๆนั่นเองนะเห็นก็รู้ซื่อได้ยินก็รู้ซื่อได้กลิ่นก็รู้ซื่อรู้รสก็รู้ซื่อกระทบเย็นร้อนหลังคันก็รู้ซื่อใจนึกคิดก็รู้ซื่อรู้เฉยๆนี่แหละใช่ไหมตรงนี้ว่ามันบรรลุทําได้เร็วนะแต่คนป่าจะถึงตรงนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะมันก็ต้องใสยประสบการณ์ที่เรื่อมันก็งลงรู้ไม่ซื่อมาก่อนใช่ไหมเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะทําได้ใช่ไหมเราก็กระทบไป มีความคิดแล้วก็กลับมารู้ใหม่นะมีความคิดกลับมารู้ใหม่ก็รู้ซื่อใหม่นะหรือทําไปแล้วเรื่อยๆก็รู้สึกว่าโอ้เมื่อไหร่มันจะได้ผลทักทีนะเมื่อไหร่ถึงจะบรรลุทําทันทีนะตรงเนี้ยใจเรามีความโลภแล้วก็รู้ทันเออขณะนี้เรามีความอยากขึ้นในใจแล้วนะหรือทำไปแล้วเบื่อจังเลยนะเมื่อไหร่จะเลิกทีนะอ่ก็รู้ทันในขณะนี้มีความเบื่อแล้วกลับมารู้ซื่อๆรู้เฉยๆนะหรือง่วงนอนนะง่วงนอนก็กลับรู้เฉยๆนะ ง่วงก็กลับมารู้ใหม่ใช่ไหมนะต่างๆแล้วเนี่ยอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาจะพอใจไม่พอใจ nightmares. ก็กลับมารู้ใหม่นะตรงนี้มันวันๆเราจะเห็นว่าเออจริงๆลมมันเยอะมากเนีเดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ง่วงนอนนะเดี๋ยวก็เครียดนะเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็เมื่อยอารมณ์ต่างๆเรานี้เยอะยะเลยใช่ไหมพวกนี้คือการไม่ซื่อนะไม่ซื่อแต่เรากลับมารู้ซื่อๆได้ไหมเดินยงกมมก็รู้ไปเฉยๆไม่ต้องไปคิดอะไรมันเยอะ ไม่ต้องไม่คิดว่าออตอนนี้มันเบื่อจังเลยนะหรือว่าตอนนี้ไม่อยากจะไปกลับไปนอนนะหรือว่าเมื่อไรจะเลิกสักทีนึงมันไม่พอใจหรือตอนนี้โอป้ปฏิบัติล้ดีจังเลยนะมีความรู้สึกตัวดีนะอันนี้ก็รู้ไม่ซื่อนะมันไม่ต้องพอใจก็ไม่เป็นไรกลับมารู้ใหม่ตอนนี้เมื่อกี้เราพอใจนะกลับมารู้ตรงนี้เราไม่พอใจกลับมารู้ก็คือรู้ซื่อๆรู้เฉยๆในใจก็เป็นกลางนะ เมื่อใจเป็นกลางแล้วมันจะเป็นผู้ดูได้ใช่เป็นผู้ดูโอ้ตอนนี้นะเรารู้แล้วนะตอนนี้เราพอใจเราก็รู้ทันนะตอนนี้ไม่พอใจก็ไม่รู้ทันนะคราวนี้บางคนไม่รู้ทันนะก็โอ้วันนี้ไปบัรธรรมแล้วดีจังเลยมีความรู้สึกตัวดีจังเลยแล้วก็พอใจมีความพอใจมากพอมาอีกวันหนึ่งโอ้วันนี้ไปบัรธรรมแล้วไม่ค่อยรู้สึกตัวเลยฟุ้งซ่านเยอะรู้สึกไม่พอใจ อันนี้ก็เรียกว่ามันรู้ไม่ซื่อๆเลยไหมเป็นผู้เป็นแล้วใช่ไหมเราไม่ได้เป็นผู้ดูแล้วนะอ่าคราวนี้ถ้าระวางใจถูกต้องนะเอ่มันวันนี้เราไปฏบัติธรรมแล้วเราดีจังเลยรู้สึกตัวดีจังเลยก็รู้ซื่อๆไปไม่ต้องไปพอใจกับมันหรอกใช่ไหมวันนี้เราไปบัติธรรมแล้วมันไม่ดีเลยนะมันมันไม่เขารู้สึกตัวเลยมันมีความฟุ้งซ่านเยอะก็รู้ซื่อๆไปไม่ต้องไปไม่พอใจกับมันนะอันนี้ยมันจะเป็นผู้ดูได้ใช่ไหม แต่เมื่อไรที่เราเป็นผู้เป็นนะเป็นผู้พอใจเป็นผู้ไม่พอใจนั่นแหละเขาจะเป็นผู้เป็นไม่ได้เป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เห็นแล้วนะเนี่ยเพราะงั้นการที่เรารู้ซื่อเนี่ยมันเป็นผู้ดูได้เพราะอะไรเพราะความรู้ซื้อเนี่ยเขเป็นมีความเป็นกลางมีความเป็นกลางเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่ตอนนี้มันไม่กลางแล้วนะตรงนี้มันไม่ซื่อแล้วมันหลงไปแล้วอมันพอใจเรารู้ทันไม่พอใจรู้ทันมันก็เป็นไปเป็นผู้ดูนะไม่ผู้เป็นนะเพราะหลวงพ่อคำแก่นบอกว่า ให้เราเป็นผู้ดูไม่ไม่เป็นผู้เป็นนะนะใช่ไหมเมื่อเราสามารถที่เป็นผู้ดูได้ไม่เป็นผู้เป็นได้นะมันก็สามารถที่จะสังเกตสิ่งต่างได้ได้อย่างเป็นกลางใช่ไหมเมื่อก่อนเราก็เราก็เป็นคนโกรธเก่งใช่ไหมโกรธเก่งนั่นแหละอันนั้นเป็นผู้เป็นนะแต่เรามีสติแล้วเราก็เออวันนี้เราโกรธเราเห็นเออวันนี้เราโกรธนะ ถึงมันจะผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นไรวันนี้เราโกรธล้วก็เริ่มรู้ทันแล้วแม้แต่วันนี้เราโกรธเราก็รู้ทันแต่เมื่อเราเราดูไปเรื่อยๆื่เราก็เห็นว่าเออมันก็ค่อยจะชํานาญก็แล้วนะขณะนี้เราโกรธล้วก็รู้ทันเออขณะนี้เราโกรธแล้วนะอ่าแค่เรารู้ขนาดนี้เราโกรธล้วก็เริ่มเห็นมันแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนเราเป็นผู้โกรธแต่ขนาดนี้เราโกรธเออขนาดนี้เรากําลังโกรธนี่เราเริ่มเห็นความโกรธแล้วใช่ไหมอ่ามันก็ออกมาเป็นผู้ดูได้นะแต่เมื่อไรที่เราโกรธนะเราไม่เห็น แต่ขณะนี้เรากลับมาดูเออขณะนี้เรากาลังโกรธนะมันกลับเป็นผู้ดูได้นี่ตรงนี้เรียกว่าจิตมีกําลังนะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้แล้วนะไม่เป็นผู้เป็นนะตรงนี้มันออกจากความทุกข์ได้ง่ายใช่ไหมเมื่อก่อนเป็นผู้โกรธนี่เราเห็นความโกรธเราออกมาดูได้เมื่อก่อนเราเป็นผู้รักตอนนี้เราเป็นเห็นความรักเมื่อก่อนเราเป็นผู้ที่ชอบใจนะตอนเราเห็นความชอบใจเมื่อก่อนเราเป็นผู้ไม่ชอบใจ ตอ น, นเราเห็นความไม่ชอบใจเนี่ยมันออกมาได้เมื่อเราออกมาได้ เ, ออไไดเป็นงไงเราก็ออกจากความทุกข์ได้นะความทุกข์นะกนี่แหละเ ร, เราดูเขาได้เพราะเมื่อเรา ส, สามารถสังเกตผู้ ด, ดูได้ก็เห็นเออความทุกข์นะเมื่อก่อนเราเป็นผู้ทุกข์เราก็เห็นโอ้ขณะนีะ้มีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็ดูเขาใช่ไหมความทุกข์ในกายนะเมื่อก่อนเราเป็นนิดหน่อยโอ้เป็นไข้ไข้หวัดไปหาหมอเสียงเงินเท่าไหร่ สองสารอยนะสมัยนี้น ะ, ะเข้าโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยเป็นพันนะเป็นไข้หวัดอย่างเดียวเป็นพันไอ้ความทุกข์กายเราดูมันโอ้มันมันก็เป็นหวัดนะเป็นหวัดเราก็ดูมันไปนะดูมันไปเท่านั้นเองนะไม่ต้องไปทุกข์กับมันเยอะใช่ไหมตรงนี้นะอีกหน่อยพอเราเป็นเป็นโรคไลไลแรงเข้าโรงพยาบาล น, น ะ, ะหมอหมอจะทําทการที่จะทําทอะไรที่กับตัวเราสักอย่างนะที่มันดูแล้วน่ากลัวใช่ไห ม, มกางคนจะกลัวมากใช่ไหมการผ่าตัด หรือว่ารักษาอะไรก็แล้วแต่เราจะกลัวมากนะหรือมันจะมีความเจ็บปวดมากใช่ไหมเราก็ดูเข้าไปนะดูเข้าไปเราเป็นผู้ดูไม่ผู้เป็นนะมันออกมาได้แล้วนะเมื่อก่อนเราเป็นผู้เป็นมันจะปวดมากแต่เราดูมันก็ปวดอย่างเก่านั่นแหละแต่เราเป็นผู้ดูแล้วนะใจมันก็จะถอดออกมาเป็นผู้ดูได้ใช่ไหมมันจะมันจะไม่ไม่มีเวทนาประสมัยก่อนมันจนแยกออกมานะเอ่อความปวดก็อยู่ส่วนหนึ่งเราเป็นผู้ดูความปวดไปนะเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นผู้ดูได้ใช่ไหม นะความทุกข์ใจนะมันก็ออกมาได้หมดใชนะ่เป็นผู้โกรธก็มาสังเกตเออมันก็โกรธไม่ใช่เราโกรธใช่มนะมันก็แยกเป็นผู้ดูนะไม่ผู้เป็นนะตรงนี้มันออกจากความทุกข์ได้ไม่ยากใชนะ่เมื่อเรามาตรงนี้เราก็จะเห็นว่าอย่างหนึ่งว่าตรงนี้นะร่างกายจิตใจของเรานะเมื่อถูกดูแลเรารู้สึกว่ามันมันก็เป็นสิ่งถูกรู้ถูกดูแล้วมันก็มันก็ไม่ใช่องค์หลักของเราใช่อนะ่านะ ก่อนก็เป็นเราโกรธนะตอนหลังเราเห็นเออมัน ก, ก็มันโกรธนะมันไม่ใช่เรานะเมื่อเราเห็นเขาแล้กกกวก็คือมันโกรธมันไม่ใช่เราโการธมันก็คือใครมันก็เหมือนใจนั่นแหละมันไม่ใช่เรานะใจมันโกรธมันไม่ใช่เราความโกรธก็เกิดขึ้นกับใจไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราอ่เราก็เป็นผู้ดูไปความไม่พอใจก็เกิดขึ้นกับใจไม่ใช่เราเราเป็นผู้ดูไปความชอบใจก็เกิดกับใจไม่ใช่เราเราเป็นผู้ดูไป ความรักก็เกิดขึ้นจากใจไม่ใช่เราเราเป็ผู้ดูไปแล้วมันก็แยกมาผู้ดูนะมันก็จะความทุกข์ได้ไม่ยากใช่ไหมก็เห็นสภาวะต่างๆเนี่ยเราก็เห็นอย่างหนึ่งว่าเอการบัตรทำนะมันเมื่อวานเราไปบัตรรมแล้วมันก็ดีใช่ไหมอันนี้นะวันนี้ไปบัติแล้วไม่ดีใช่ไหมเมื่อก่อนเราก็ไม่เราก็ไม่ชอบใจเออมันเมื่อวานมันดีวันนี้เราไม่ดีนะเราไม่ชอบใจแต่เวลาเป็นผู้ดูเราจะเห็นว่ามันตรงนี้นะ เพราะว่ามันไม่เที่ยงนั่นเองใช่ไะมเมื่อวานมันมันเป็นแบบนั้นวันนี้เป็นวันนี้มันก็คือมันไม่เที่ยงนั่นเราก็เห็นความไม่เที่ยงมันแล้วเนาะเราก็เห็นความคิดต่างๆมันเกิดขึ้นนะเอเราดูปั๊บมันก็ดับไปนะมันก็เห็นความเกิดความดับของความคิดมีความโกรธล้วก็ดูมันไปเออมันเกิดขึ้นมาแล้วนะเราก็เห็นมันเป็นผู้ดูปรเดี๋ยวมันก็ดับไปนะมันก็เห็นเออความโกรธเมื่อเกิดมันก็ดับใช่ไหมมันก็เห็นสภาพว่าอย่างหนึ่งว่าตรงเนี้ยมันเป็นความไม่เที่ยงใช่ไหม สภาวะความไม่เที่ยงนี่แหละมันก็เป็นความทุกข์นะเพราะมันมันมันทุกข์นะมันเกิดจากความไม่เที่ยงนั่นเองนะความไม่เที่ยงมันก็คือความทุกข์นั่นเองนะตรงนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเราต้องแปลวาดีอะไรกับมันเราก็เห็นมันไปนะในสุดมันก็จะเข้าใจสภาวะที่มันพวกเนี่ยมันก็มาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่น่ไม่นอนที่ก็เกิดปัญญาในการที่จะรู้ว่าเออสิ่งเหล่านี้มันเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะเมื่อเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้ก็จึงไม่ตัวไม่ตนของเรานะ ไม่ตัวไม่ตนของเราแล้วเราก็เพรเราบังคับก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราบังคับก็ได้ก็ต้องดีทุกครั้งใช่ไหมการ บ, บันทําก็ต้องดีทุกครั้งหรือดีถาวรตลอดไปนะหรือเราโกรธเนี่ยเป็นเราโกรธมันก็ต้องโกรธตลอดไปนะมันก็ไม่โกรธตลอดไปมันก็มาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับหรือแม้แต่สิ่งเราชอบใจความรักใช่ไหมมันก็ไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมเออวันนี้รักพรุ่งนี้มันก็มันก็เกลียดได้เมื่อก่อนรักกันจะตายวันนี้ก็เกลียดกันแล้วใช่ไหม เนี่ยมันก็เป็นความไม่แน่ไม่นอนเพราะเราบังคับสิ่งต่างไม่ได้เลยนะใจมันจะเริ่มเข้าใจความจริงว่าตรงเนี้ยเมื่อราบาังคับบัญชาสิ่งต่างๆไม่ได้มันจึงไม่ใช่เราไม่ตัวเป็นตนของเราเนาะแต่เราบังคับบัญชาให้เขาตามเราต้องการได้นะเขาดีทุกอย่างตามที่ต้องการนะมันก็คือตัวเรานั่นเองใช่ไหมมันก็มีอัตตาตัวตนของเรานี่เยอะแยะมากมายมหาศาลใช่ไหมนะ แตเมื่อไรที่เรามาสังเกตตรงนี้ได้ว่าเอาสิ่งต่างๆ น, งนี้นะเมื่อระวังคับเขาไม่ได้เขาจึงแสดงความไม่เที่ยงความบรรทุกให้เราเห็นเนี่ยจิตมันจะเริ่มเข้าใจได้มากขึ้นม่าเนี่ยจากการที่เราเห็นบ่อยๆนะเห็นบ่อยจะรู้ว่าตรงเนี่ยเราเป็นแค่ผู้สังเกตการทํางานของกายและใจเท่านั้นเองนะคือกายและใจเนี่ยเขาทำงานเขาเองเราแค่สังเกตเขาว่ากายเขาทางานอย่างไรยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดนีดูกายเขาไป แล้วก็อกบทย่อยต่างๆคู่แขนเยียดแขนทรงจีวรสังฆาติกม้มเงยดื่มริมกินเคี้ยวอุจจาระปัสวะแล้วก็สังเกตกายเข้าไปไม่ใช่ตัวไม่มตนของเราเดินยยกมือกคือกายมันเดินไม่ใช่เราเดินเนาะยกมือสร้างว่าคือกายมันยกมือไม่ใช่เราสร้างอย่างบานะมันเป็นสิ่งบางอย่างที่ถูกเรารู้จะมแล้วก็เห็นกายมันทํางานกันไปนะนะมันก็ทํางานงมาเองน ะ, ะกายเนี่ยเพราะว่า หัวใจก็ทํางานเองใช่ไหมลมหายใจนะปอดก็ทํางานเองเส้นเลือดทํางานเองกะเพราอาหารกินไปแล้วมันทํางานเองหมดเราไม่ได้ไปสั่งสักอย่างเดีย ว, ว่าต้องหายใจนะต้องหัวใจเต้นนะต้องย่อยอาหารนะเลือดต้องทํางานนะไม่ได้ไปสั่งมันทํางานเองหมดมาแต่การที่ผมงอกหูตึงตาฟางผิวหย่อนมันก็ทํางานมันเองไม่ใช่เราสั่งมันเลยแม้แต่นิดเดียวนะใจมันคิดเองใช่ไหมเดินยงกลมเห็นไหมมันคิดมันเองนะ ไม่ใช่เราคิดหรอกทิมังคิดมันเองแล้วเราเห็นมว่ามันมันคิดใช่ไหมถ้าเราสังเกตเป็นมันคิดนะเราไม่รู้่านาทีหน้ามันจะคิดอะไรใช่ไหมตรงนี้เราเห็นเออมันคิดมันก็คือมันคิดเองมันไม่ใช่เราก็คือเราเห็นว่าใจมันทํางานเองมันโกรธมื่โกรธมันเองมันรักก็คือมันรักของมันเองมันเป็นกระบวนการทํางานของใจไม่ใช่เราเมื่อเราสังเกตอย่างนี้ได้นะก็คือกระบวนการที่เราว่าให้จิตเขา เมื่อเขาสังเกตรตรงนี้ได้เขาจะเป็นผู้สังเกตเ ท, e ท่านั้นเองไม่ใช่เป็นผู้ทําอะไรทั้งสิ้นนะเป็นผู้สังเกตกายและใจที่กายและใจทํางานเองโดยเราเป็นผู้ดูเป็นผู้สังเกตนะเมื่อสังเกตนี้บ่อยๆใจก็จะสรุปได้เองว่ากายและใจไม่ตัวไม่ตนของเรานะเมื่อเขาลูนตรงนี้เขาก็เกิดการปล่อยการวางการยึติดการคลายออกจากสภาวะที่เรายึดมั่นอยู่นะเพราะนั่นที่เราสวนโมนิตอนช้าบอกว่าว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5้าคือตัวทุกข์นะ ทำไมไม่บอกว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์แต่ไม่ต้องบอกว่าอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เพราะว่าอะไรขันห้าก็คือกายขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือกายและใจนั่นเองนะเพราะกายใจเนี่ยมันเป็นสภาวะที่ว่าเขาก็มีอยู่แต่เราไปยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตัวของเราเป็นเราเป็นของเราเนี่ยตรงนี้แหละคือสาเหตุการที่เราเกิดทุกข์นะเพราะเป็นเรามีอุปทานในการไปยึดเท่านั้นเอง เพราะในการบัตรธรรมทั้งหมดเราไม่ต้องไปบัตรธรรมเพื่ออะไรนะเป็นแค่การถอดถอนความเข้าใจผิดในการที่เราไปยึดในขัน5ไว้เป็นตัวเป็นตนของเราเท้งนั้นเองนะเมื่อมันถอดถอนได้ในระดับหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าเออเมื่อก่อนที่เราเคยยึดมั่นอะไรเยอะๆนะใครมาดา่าเราก็เราก็โกรธใครมาว่าเราเราก็โกรธเมื่อเราเข้าใจเห็นก็บ่อยๆแล้วมันจะคลายเองนะรู้รู้สึกว่าเออเขาดา่าเราไม่ยังเก่านะแต่ทําไมเราไม่ให้โกรธแล้วนะออความโกรธต่างๆันกด น, น้อยลง หรือใครมาชมเราสมัยก่อนแล้วก็โอ้ตัวลอยนะ่แต่ตอนหลังมาชมยังเก่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมมันเรื่องธรรมดามากไปเรื่อยๆอย่างเพราะอะไรเข้าใจมันเริ่มเข้าใจแล้วนะว่าเออมันก็ค่อยๆเห็นความจริงแล้วว่านี่แหละสภ า, าวะทุกอย่างมันไม่ตัวเปตนของเรานะมันจะเริ่มคลายออกคลายจากตัณหาความยึดติดในตัวตนนี้แหละถ้ามันคลายไปแล้วนะเราจะรู้ว่าเออความทุกข์เราลดลงไปตามลําดับเนาะเมื่อมันคลายจนที่สุดแล้วนะั่นแหละคือกับรู้ธรรมนะ เพราะตรงนี้ก็คือว่ากลับมาเห็นในความจริงว่ากายและใจนี่แหละมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์นักตาแล้วก็ตรงนี้คือที่สุดแห่งความทุกข์ก็คืออยู่ในตรงนี้เนาะเพราะในท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบุรีคุณพระไตาน้อมนำทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพระทุกท่านเทิด